ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รูปปัฏฐานในวันนี้โอคงพูดเรื่องเทวตานสุสติคือการตั้งตั้งสติตาม ล, ลึกถึงเทวดาที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือระลึกถึงธรรมะที่ทําคนให้เป็นเทวดาก็ได้กล่าวถึงธรรมะมาสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องของ วัตบทเจประการกลุ่มที่สองก็คือฮิริอุตตะปาก็ยังมีอยู่อีกสองกลุ่มที่ทรงแสดงในรูปของความเป็นเทวธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาคือธรรมะชุดดึกนั้นมีการจำแนกแสดงไว้เป็นสี่ข้อด้วยกั น, นเป็นห้าข้อด้วยกันแล้วก็ถือว่าเป็นธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาเช่นเดียวกัน ภาษาที่ใช้อาจจะต่างกันแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วที่จริงก็ไปร่วมกันคือทุกข้อที่เราประพฤติปฏิบัตินั้นกิเลสลดลงทำให้จิตใ จ, จแจ่มใสเบิกบานบันเทิงไปตามสมควรแก่ฐานะจนถึงจุดหนึ่งก็จะอยู่ในโลกนี้ด้วยความแช่มชื่นเบิกบาน ก็ถือว่าเป็นเทวดาอยู่ภายในใจเป็นเทวะเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เที่ยวเล่นเที่ยวอยู่โดยสุขสำนานไม่มีปัญหาไม่มีความเครียดในอารมณ์ธรรมมาชุดนี้ข้อแรกก็คือเรื่องศรัทธาความเชื่อเรื่องศรัทธาความเชื่อนั้นจะปรากฏในที่ต่างๆเป็นอันมากเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานสำคัญ เนื่องจากเราเกิดมาไม่มีความรู้ในเรื่องอะไรเรื่องเป็นอันมากที่จำเป็นจะต้องอาศัยความเชื่อต่อความรู้ของบุคคลอื่นเช่นเรื่องราวที่เป็นอดีตเนี่ยเราก็ต้องเชื่อตามความรู้ของบุคคลอื่นที่เขาบอกเอาไว้เราไม่สามารถจะมีสัมผัสตรงต่อเรื่องราวในอดีตได้นอกจากจะอาศัยความเชื่อเชื่อต่อบุคคลที่ควรแก่การเชื่อถือ วัหลั ก, กรของความเป็นพุทธศาสนิกชนจะมีการเน้นที่เรื่องของศรัทธากับเรื่องของปัญญาเพราะว่าความรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นความรู้ระดับประสัพันยุตยานคือความรู้ในสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงเข้าถึงแก่นแท้เข้าถึงสาระของสิ่งเหล่านั้นแต่คนสามัญทั่วไปก็ โอกาสที่จะเข้าถึงอย่างพระพุทธเจ้าเข้าถึงเรียกว่ามีไม่ได้เลยนอกจากว่าคนที่เป็นพระพุทธเจ้าด้วยกันเพราะนั้นในกรณีเช่นนี้ก็จําเป็นจะต้องอาศัยพื้นฐานคือความเชื่อในพระพุทธเจ้าโดยละความเชื่อที่ทรงจําแนกแสดงโดยพระองค์เองนะครับคือเชื่อมั่นในพระพุทธคุณ คำว่าพระพุทธคุณไม่ได้หมายถึงคุณของพระพุทธเจ้าองค์นี้พระองค์เดียวคือทุกองค์มีพระคุณอย่างนั้นปณะสมคัญเราเชื่อในพระพุทธคุณเหล่านั้นหรือไม่ตามที่เราสวดสาธยายกันนะฮนะอิติปิโสพระกวาแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าอารหังเป็นพระหัน์สมมาสมบูททรณ์โภเป็นผู้สัตวุรดีสัตรชอบโดยพรองเอง วิชาเจนะสัมปันโนทรงสมบูรณ์วิชาและจรณะสุกตสเสด็จประดีแล้วโลกวิคูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตโรบริสัทธามสารถิทรงเป็นสารถิที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารธิอื่นจะยิ่งไปกว่าสถาเดวมนุ ษ, ษา์นังทรงเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกุธโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้บึกบาน พระกวาเป็นผู้จำแนกแกกจ่ายธรรมเป็นผู้ประกอบด้วยประกาศธรรมแล้วก็เป็นผู้มีโชคนี่นอนในการเจริญอนุสติเนี่ยเราก็ต้องหยิบแต่ละบทขึ้นมาพิจารณาตามนัยยะของพุทธานุสติที่กล่าวไว้ในตอนตอน้ปนปัญหานสำคัญโดยเชื่อไหมในพระพุทธคุณแต่ละบท เราเชื่อความเป็นพระอรหันต์ที่แปลว่าหักกรรมแห่งสังสารวัฏที่แปลว่าไกลจากกิเลสที่แปลว่าเป็นผู้ไม่ทาบาปแม่นที่รับที่แปลว่าเป็นผู้ควรไหวควรบูชาควรเคารพสกอาลของบุคคลทั้งหลายนั้นเราเชื่อประเด็นนี้หรือไม่ถ้าเราเชื่อเนี่ยมันจะนำไปสู่การเชื่อในคำสอนของพระองค์วัตที่สูตรของศรัทธาคือคนที่มีศรัทธานั้น มันจะต้องออกไปที่ตัวธรรมะคือเชื่อมั่นในกฎของกรรมตำหลักที่ทรงแสดงเอาไว้นะเราจะเห็นว่ากรรมนั้นจะมีการจําแนกไว้เป็นสามช่วงช่วงแรกคือกรรมศรัทธาเชื่อความมีอยู่ของกรรมคือเจตนาที่บุคคลทําออกไปพูดออกไปคิดออกไปอย่าตามพูดยังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นเจตนาที่บังเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลก็เป็นได้ทําให้พูดให้คิดออกไปตามตามเรื่องนั้นๆ เพราะในในกฎของกรรมเนี่ยจิงแสดงว่าหนึ่งกรรมสัตยาเชื่อความมีอยู่ของกรรมทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลทั้งที่เป็นกลาง ก, กลางแต่เจนว่ากรรมที่จริงมันก็มีสามอย่างนะแต่ว่าเนื่องจากอภิญากะตะกรรมเนี่ยเราไม่เคยพูดกันเพราะว่ามันไม่มีผลเป็นบุญเป็นบาปอะไรเราก็เอาเฉพาะกุศลกรรมกับอกุศลกรรมซึ่งอานวยผลเป็นบุญเป็นบาปบเป็นความสุขความทุกข์แก่บุคคลผู้ประพฤติผู้กระทำแต่นั้น เราต้องเชื่อมั่นในความมีอยู่ของกรรมเหล่านั้นดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดีกลางๆ ก, ก็คือกลางๆแล้วก็เชื่อเชื่อความมีอยู่ของผลแห่งกรรมก็มันเป็นไปตามกระบวนการของเหตุผลเนี่ยเช่นว่ากินข้าวก็อิ่มอ่านหนังสือก็มีความรู้อาบน้ําก็สะอาดอถูกไฟก็ร้อนะอะไรอไรเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาธรรมดาว่าเหตุอย่างนี้ผลก็ต้องออกมาไปอย่างนี้ถูกเที่แต่ว่าผลมันยังไม่เกิดเพราะเราไม่ได้สร้างเหตุ ในขณะเดียวกันเราก็เห็นผลที่เกิดขึ้นแก่คนที่สร้างเหตุมันก็ช่วยให้เรามีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในกระบวนการของกรรมประการต่อไปก็เชื่อในความเป็นเจ้าของผลเขาเรียกว่ากรรมมรรตาศรัทธ า, าเชื่อการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของก้อนตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่ผาพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น มันก็เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไป Step เช่นสมมุติว่าเรากินอาหารเป็นกรรมความอิม่มเป็นผลของกรรมใครกินคนนั้นก็อิ่มเราอ่านหนังสือเป็นกรรมความรู้หนังสือเป็นผลกรรมใครอ่านคนนั้นก็รู้เราอาบน้ำเป็นกรรมความสะอาดเป็นผลของกรรมใครอาบคนนั้นก็สะอาดมันมีความต่อเนื่องกันอยู่สามอย่างอย่างเงี้ยซึ่งเราจะเห็นว่าเราต้องสร้างเหตุแล้วผลเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้น แต่ว่าจากประสบการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันของบุคคลแต่ละคนเนี่ยเราก็จะพบว่าเราก็สร้างเหตุกันอยู่ประจําแล้วรับผลอยู่ประจําเพียงแต่เราไม่เนื้อไว้ น, นี้มันเป็นกรรมกรรมก็คือเจตนาที่บุคคลกระทําลงไปพูดออกไปคิดออกไปรวมแล้วก็เป็นกรรมดีหรือไม่ดีนั้นเป็นรายละเอียดอีกกรณีหนึ่งทีนี้พิสูจน์ได้อย่างไรว่าคนเหล่านั้นมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธา ท่านบอกว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่าคนที่มีสถานหนึ่งก็คือใครจะพบผู้มีศีลมีความพอใจมีความยินดีมีความใส่ใจที่จะพบแล้วพบหาใกล้ชิดสมาคมกับท่านผู้มีศีลและยินดีพอใจที่จะฟังประศัทธรรมไม่รู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกพอใจยินดีเพลิดเพลินในการความประสัทธธรรมและประการที่สามก็คือ พยายามขาจัดมุนทินคือความเสน่ห์ออกไปจากจิตใจเพราะมันเป็นบทพิสูจน์นะฮะบทพิสูจน์เรื่องทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นบทพิสูจน์ถ้าจับใดที่เรายังมีความเสน่ห์อยู่เนี่ยแสดงว่าความเสน่ห์บางอย่างนี่เกิดจากโลภ ก, ก็มีเกิดจากหลง ก, ก็มีเกิดจากโกรธก็มีมันจะต้องขจัดมุนทินคือความเสน่ห์ออกไปโดยพลังของศรัทธาเนี่ยเขาขาจัดโรกอดหลงออกไปแล้ว เพราะในการขาจัดมณทินคือความสนีเป็นการพิสูจน์ว่าคนนี้มีศรัทธาเท่านั้นเองแต่ถ้ายังมีความสนีอยู่ก็หมายความว่าคนเหล่านี้ยังไม่มีศรัทธาเพราะศรัทธาท่านจึงเรียกว่าศรัทธาสัมปทาคือสมบูรณ์ด้วยศรัทธาสมบูรณ์ด้วยความเชื่อมั่นอันอยังลงมั่นคงในพระคุณของพระพุทธเจ้าทึ่แน่นอนว่าภาคของการปฏิบัตินั้นก็มีความยิ่งความย่อนที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่า ทำยังไงให้พลังของศรัทธานั้นมีกำลังมากพอในการขจัดอาสัติยะคือความไม่เชื่อแล้วขจัดความเคลือบแคลงสงสัยออกไปอย่างน้อยได้สักสองข้อนยฮะก็ดีแล้วแต่อย่าลืมเมื่อความไม่เชื่อมันลดลงความเคลือบแคลงสงสัยลดลงเนี่ยก็แสดงว่าโรกโกรธหลงลดลงตามไปด้วยคือหลงนี่มันลดลงแล้วนะฮะแต่ว่าโลคกโกรธนี่จะลดตามลงไป ก็เป็นเหตุให้เราก้าวไปบนเส้นทางของฐานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาประการต่อไปนั้นคือเป็นผู้รักษาศีลทรงใช้กรรมศีลและสัมปทาคือสมบูรณ์ด้วยศีลรือถึงพร้อมด้วยศีลหมายความรักษาศีลได้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในการรักษาศีลอย่างที่เคยกล่าวไว้ในศีลานุสติ การตั้งสติตามเราลึกถึงสีเราจะเห็นว่าธรรมะนี่คล้องกันไปคร่องกันมาอย่างนี้คือว่ามันเป็นกระบวนการที่หนุนเนื่องกันไปผู้เจ้าทรงแสดงไว้เท่าไหร่เราก็ต้องว่าเท่านั้นนะฮะบางทีเราอาจจะรู้สึกเอ้มันซ้ำเน่ข้อนี้มันซ้ำกับข้อก่อนซ้ำก็ซ้ำนะฮะตัวอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันเหมือนกับการทำขนมไทยนะ มีก็เรียกว่ารวมสามพันชนิดแต่ขนมไทยมีส่วนผสมหลักอยู่ก็คือข้าวเหนียวคือกะทิคือความหวานมันก็อยู่ทุกชนิดของขนมนั่นแหละเราจะปฏิเสธไม่ได้หรอกหรือเหมือนกับสีทั้งหลายในโลกเนี่ยมันมีสักกี่ร้อยกี่พันสีเราก็ไม่รู้นะแต่ที่จริงมันมาจากแม่สีเพียงสามสีเท่านั้นจากที่เราได้ศึกษาเราเดยดมา แล้เรื่องธรรมะเนี่ยก็จะมีลักษณะอย่างนั้นสีเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ถึงศรัทธาว่าถ้าคุณมีศรัทธาเนี่ยคุณก็ต้องรักษาสีพระสีนั้นเป็นพระธรรมนะเป็นบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้แต่ว่ามีความเป็นธรรมะเพียงแต่ว่าเป็นก้าวของขั้นบันไดที่จะนําจิตใจของคนให้ขึ้นสู่กระแสของธรรมะ ศีลยิ่งแปลว่าปกติกายปกติวาจาปกติใจนะใจก็ต้องปกติพอสมควรแต่ว่าที่เราเห็นนี่ใจเราไม่เห็นเราก็เห็นแต่กายกับวาจาแต่ก็หมายความเมื่อกายวาจาปกติก็แสดงว่าใจเขาก็คงไม่ผิดปกติไปศีลที่สมบูรณ์นั้นเราเน้นเอาที่ศีลห้านะฮะไม่ต้องไปเอาศีลดองอื่นโลกคนทั่วไปเนี่ยเขารักษาศีลห้าได้นะมันปิดประตูนรกได้แล้วนะศีลห้าเนี่ย นอกจากมันเป็นจะ เ, เป็นเบญจเวนอวิราชคืองดเว้นเบจเวนภัยทั้งห้าแล้วมันปิดประตูจะตุระบายเนะเพราะว่าคนรักษาสี่ห้าได้สมบูรณ์จริงๆต้องเป็นมัสโสดาบันนะไม่ใช่รักษาได้ง่ายๆนะห้าข้อเนี่ยอลองสังเกตดูวมนก่อนไปถามในที่ประชุมแห่งหนึ่งไปที่ประชุมครูหลายร้อยคนนะถามว่าขอถามจริงๆจะในที่นั่งอยู่ทั้งหมดตัวนี้มีใครรักษาสีห้าได้บ้าง เป็นเรื่องแปลกแต่จริงนะฮะคือไม่มีใครยกมือเลยสักคนเดียวพอถ้าใครคือยกมือขึ้นมาเนี่ยเพื่อนก็ฮาเอาเราแสดงเห็นว่าการรักษาศีลห้านี่จะรักษาได้ยากมากเพราะหลักการสาคัญในการรักษาศีลห้าก็คือว่าทำอย่างไงจับให้ศีลแข้อหนึ่งให้มั่นคงจะจะเมื่อเราจับศีลข้อที่หนึ่งปรนาราทิบาตพระเจ้าทรงแสดงว่าอริยสาวกในโลกนี้ เป็นผู้งดเว้นจากปานาทิบาตไม่พกพาสัตวุธเครื่องกระหารมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตาเอ็นดูนในสัตว์ทั้งหลายมันสังเกตนะมันเป็นศีลอยู่สามข้อเป็นธรรมอยู่สองข้อคือหนึ่งเนี่ยไม่ประทุษร้ายชีวิตของสัตว์อันนี้ศีลชัดๆเลยเ แล้วประการที่สองเนี่ยไม่พกพาสัตาวุ่เครื่องประหารซึ่งแสดงถึงความโหดร้า ย, ายความทารุณความพร้อมที่จะเข็บฆ่าทําลายล้างเป็นระดับศีลแต่วันแปรนิ่งขึ้นพาหากว่าถึงพระแล้วเราเห็นชัดเจนนะเพราะอาวุธเครื่องประหารนี่พระไปจับต้องไม่ได้ไจะต้องก็ถือว่าเป็นวัตถุอนา ม, มาติวัตถุที่ไม่ควรจับ ต, ต้องก็ต้องอัตดุกคน แล้วก็มีความระมัดระวังเวลาพูดเวลาจาเวลาเกี่ยวข้องมันจะยืนจะเดินจะนั่งอะไรแต่ไรก็ตามนะอย่าไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิของบุคคลนั้นนี่ก็เป็นหลักการสำคัญที่แสดงถึงความประนีตของศีลมาโดยลำดับจนมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็กลายเป็นความเมตตาอินดูในสัตว์ทั้งหลายทีนี้คนเราพอเกิดมเมตตาอินดูแล้วเนี่ยศีลอีกสี่ข้อเนี่ยมันจะไปได้เอง ไปได้โดยอัตโนมัติเองไม่ต้องมีเจตนาไม่ต้องสำรวมระวังอะไรก็ตามถ้ามีธรรมะเหล่านี่อยู่ตราบใดเนี่ยการละเมิดศีล อ, อย่างนั้นก็จะไม่มีตรับนั้นคืออะไรคือเราค่าเขาไม่ได้เพราะเราเมตตาอินดูเขาเรารักทรัพย์เขาไม่ได้เพราะเราเมตตาอินดูเจ้าของท ร, ร, รัพย์ร่วงเกินคู่ครองเขาไม่ได้เพราะเราเมตตาอินดูต่อคู่ครองเขาเรากรโกหกเขาไม่ได้เพราะเราเมตตาอินดูต่อเขา เราเสพสิพ่งเสพติดไม่ได้เพราะว่าเมตตาอินดูนั้นก็มาถึงตัวเราด้วยนะที่จริงสี่ข้อที่ 4, สี่สี่ข้อที่ห้าเนี่ยมันเป็นก็เรียกว่าเป็นพุกอบายย ม, มุกมันเป็นแทรกขึ้นมาเฉยๆคือในแง่ขององค์ธรรมแล้วเนี่ยไม่ได้ทรงแสดงไว้ในองค์ธรรมเห็นว่ากุศลกำหนดสิบเนี่ยไม่ไม่ปรากฏมีสิ่งเหล่านี้อยู่นั่นก็หมายความว่า จิตใจของบุคคลที่เข้าถึงธรรมะแล้วเนี่ยจะปรับสภาพตัวเองโดยอันตโนมัติเพราะศีลมันไม่ใช่แค่ห้าข้อหรอกถ้าจิตมันเข้าถึงเรรมตตาแล้วเนี่ยศีลจะเป็นร้อยๆข้อมันเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติเพราะจริงๆศีลมันก็คือสิกขาบทที่จะก้าวขึ้นไปสู่ธรรมะในแต่ละข้อเนี่ยเราจะนว่าศีลข้อที่สองก็ก้าวขึ้นไปสู่สมาชีพศีลข้อที่สามก็ก้าวขึ้นไปสู่กรรมสังวร สียงข้อที่4ี่ก็ก้าไปสู่สัจจะสิ่งข้อที่ห้าก็เ้าไปสู่สติมันมีลักษณะเป็นศิกขาบทคือก้าของการศึกษาเพื่อปฏิบัติพัฒนาจิตใจของบุคคลให้มีความสงบประนีขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆพอเป็นธรรมะแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องนับกันนะอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าพระพุทธเจ้ารับสั่งแก่ภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านมีปัญหาในจานวนศีล เพราะท่นรู้สึกมันมากแลยเกินนุงรังเลยเกินขยับเขยื้อนอะไรไม่ได้ผูเจ้ารับสั่งว่ารักษาสักอย่างได้ไหมอย่างอื่นไม่ต้องรักษาหรอกท่านบอกว่ารักษาได้ผูเจ้ารับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นรักษาจิตอย่างเดียวอย่าคิดไปฝ่ายนอกอย่างอื่นเธอไม่ต้องรักษาหรอกนี่คือแสดงให้เห็นว่าธรรมะเนี่ย มันเป็นรากงาวของความดีทั้งหลายเราจะเริ่มต้นที่ข้อไหนก็ได้เพราะกระแตกกิ่งก้านสาขาออกไปได้โดยลำดับแล้วขยายพืชพรร์ออกไปเรื่อยๆปัญธมา ม, มองไปถึงรากงาวจริงๆมันก็มาจากวิชาคือความรู้พอาะๆกักิเลส ท, ที่มาจากกวิชาก็แสดงว่าโลกมันเป็นทวิภาวะคือเป็นความจริงอยู่สองขั้วขั้วมืดกับขั้วสว่าง ถ้าสว่างก็ไม่มืดถ้ามืดก็ไม่สว่างพูดเหมือนพูดเล่นแต่ว่ากดความจริงแล้วก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าศีนั้นจะต้องสมบูรณ์อย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าศีนั้นไม่ขาดไม่ทะลุไม่บางไม่พลอยเป็นไทยแก่ตัวไม่รักษาด้วยตัณหามานาทิชชีแล้วก็วินยูชนยกย่องสนรเสริญในการรักษาศีนจิต ใ, ใจนั้นโน้มโน้มเอียงไปสู่สมาธิคือสู่ความสงบเย็นขึ้นไปโดยลําดับ นี่ก็เป็นหลักการสาคัญในเรื่องของศีลเรียกว่าศีลสมบูรณ์และการต่อไปก็คือสุตตะเป็นการศึกษาเรียนรู้การสดับจับควังซึ่งเป็นหลักที่ทรงแสดงแทรกขึ้นมาโดยตามปกติแล้วธรรมะชุดนี้จะมีอยู่4ี่นี่จะมีเยอะมากแต่พอแทรกเป็นห้านากายเป็นเทวธรรมคือธรรมะของเทวดาหรือธรรมะที่ทาคนให้เป็นเทวดา สุตาก็คือการศึกษาเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสคือเห็นด้วยตาได้ ย, ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกริมด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแล้วก็เหนยวนึกสึกนึกด้วยใจประการที่สองก็คือสามารถทรงจําเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเอาไว้ได้เป็นลักษณะของสัญญาขันนะฮะความจําได้ไหมายรู้อารมณ์ทั้งหลายและประการที่สามก็คือบทสําคัญสําคัญ บทตัวหลักหลักตัวสูตรตัวเกณฑ์ตัวกฎทั้งหลายเนี่ยต้องท่องได้แล้วมนศานาสานุเปกิตาคือนําเรื่องเหล่านั้นมาเพ่งพินิจพิจารณาจนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลากได้ลึกในเรื่องนั้นๆจนเกิดเป็นเขาเรียกว่าทิฏฐิยาสุปฏิปทาคือขบเจาะด้วยความคิดความเห็นมองอะไรเส้นสมมติเราได้ยินคําต่างๆในภาษาศาสนาภาษาธรรมะหลายๆคําเราก็เข้าใจนะ ปทมาเหล่านั้นที่จริงลดเนื้อหาแล้วก็เป็นอย่างเดียวกันข้อต่อไปคือจาระฆะสัมปทาเหมือนกันนะฮะจาระฆะในสัมปทาเหมือนกันแต่สุตะไม่ได้ใช้สัมปทาโดยใช้คำว่าสุตตะเฉยเพราะว่าในกระบวนการของเขาเนี่เป็นสัมปทาคือสมบูรณ์ด้วยตัวของเขาเองถ้าเราศึกษาไปตามกระบวนการที่ทรงแสดงเอาไว้จาระฆะจาระฆะก็คือแนวจาระฆะสัมปทาที่วาามาแล้วนะ เป็นการสละแบ่งปันเป็นการให้ปันโดยอาธยาสายไมตรีมีความรู้สึกนึกคิดในทางที่ดีต่อบุคคลที่เราสละแบ่งปันแล้วก็สละแบ่งปันให้เขาไปบางครั้งก็เป็นการแสดงความมีน้ำใจโอโปอมารีเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ต่อกันบางครั้งก็เป็นเรื่อ ง, รรงของการสรงเคราะห์นกเคราะห์กัน บางครั้งก็เป็นการสละเพื่อบูชาความดีของบุคคลทั้งหลายโดยพื้นฐานคือความเคารพเทิดทูนศรัท ธ, ธาต่อบุคคลเหล่านั้นต่อวัตถุเหล่านั้นจาระมันก็พิสูจน์นะฮะจาระค่าที่จริงมันก็พิสูจน์ศรัท ธ, ธา แ, แสดงว่าถ้าเรามีศรัท ธ, ธาจริงๆในกิเลสมันต้องลดจาระค่าเองนะฮะเราจะเห็นว่ามันลดทั้งโลภะโทสะโมหะ คือลดโลภะในของที่เราจะบริจาคลดโทสะในคนที่เราจะให้ลดโมหะในจิตที่จะคิดให้ แ, แสดงว่าก็ลดได้ทั้งสามประการแต่ประการต่อไปก็คือปัญญาทรงใช้คกว่าสัมปทานะฮะปัญญาในี่ใช้คำว่าสัมะะปท า, า, า, าเป็นปัญญาในภาคของการบริหารหมายความปัญญาในส่วนเหตุก็คือเกิดขึ้นมาจากการศึกษาเรียนรู้ทางประสาทสัมผัส แล้วก็เกิดขึ้นมาจากการคิดเป็นนิพพิจนาที่เรียกว่าจินตามายปัญญาแล้วเกิดขึ้นจากลงมือประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่าภาปนามายปัญญาแต่ปัญญาภาคสนามนั้นก็คือปัญญาในการบริหารตัวเองให้ถูกต้องเหมาะสมแก่กรณีของเรื่องที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยตรงนี้ทําอย่างนี้ตรงนี้ทําอย่างนี้ตรงนี้ทําอย่าง น, ง น, างนี้มันไม่ข้อยุติไว้ต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่ง เพียงแต่ว่ายักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามเหมาะตามควรแก่กรณีของอารมณ์ของบุคคลของเหตุการณ์ต่างๆเป็นจังปัญญาที่รู้กระบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็สามารถชำแหละสามารถผ่าสามารถจำํจำจําแนกแยกแยะไอ้พวกกิเลสพวกธรรมะออกไปจากจิตใจได้นะฮะกิเลสอันนี้เป็นกิเลสอันนี้เป็นธรรมะคือสามารถชำแหละแยกแยะ แล้วค่จัดสิ่งที่ไม่ดีสร้างเสริมสิ่งที่ดีขึ้นมาได้ศา ส, สนาพุทธนั้นเป็นศาสนาของปัญญาปัญญาที่อย่างน้อยที่สุดระดับนี้เขาเรียกว่าปริหาริยปัญญาคือปัญญาในการบริหารตนเองแนวปัญญาในการบริหารนั้นก็คือสามารถป้องกันเรื่องเสื่อมเสียที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นสามารถคัดจัดเรื่องเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นแล้ว สามารถสร้างสรรพัฒนาสิ่งดีงามต่างๆที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็สามารถรักษาสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมสลายไปนี่ก็เป็นหลักการในการเจริญกรรมะเจริญธรรมะคือทาคนให้เป็นเทวดาเราเห็นว่าพอศึกษาแล้วเราก็นำมาตรวจสอบกับตัวเราว่าธรรมะเหล่านี้ทาคนให้ตายไปแล้วเกิดเป็นเทวดา เราต้องการจะเป็นเทวดาในชาติปัจจุบันนี่แหละเราดูสิศรัทธาเราเป็นยังไงศีลเป็นยังไงสุตะเป็นยังไงจาระคเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงถ้าเราเห็นศรัทธาเห็นศีลเห็นสุตะเห็นจาระคเห็นปัญญาไปในตัวมีมากพอน่ะมีมากพอก็จะเกิดปิติประโมทขึ้นมาถ้ามีมีเหมือนกันแต่มีไม่มากพอยังไม่พอต่อการที่จะให้เกิดปิติประโมทเราก็จะพยายามขวงขวายพยายามที่จะพัฒนาธรรมะล่านี้ขึ้นไป ไในสุดจิใจเราก็าจะเต็มด้วยสธาสีนสุตะักขะปัญญาถึงแม้ไม่เต็มนะฮะเอาสักเกียกว่าสักสามสิเปอร์เซ็นสาสิเปอร์เซ็นเนี่กยก็อยู่ดีมีสุขได้เยอะแล้วนะะรับยงแต่ว่าตรงมีไม่ค่อยพอใชา้แต่นั่นเองต้องฟังทนายแต่หลวมาพทธยาในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญก็งามเผยบุญในธรรมยมีท่านผู้ฟังทนายโดยทั่วกันสวัสดี